ต่างรมกันชีวิตของเราต้องขาดแฉนไม่ได้คือธรรมะอะไรอื่นเราจะขาดแฉนได้บ้างบางครั้งบางคราวแต่ธรรมะนี่ขาดไม่ได้ชีวิตเราเหมือนน้ำข้างบนใบหญ้าตรงประมาทขาดจากสินจากธรรมก็ถือว่าไม่มีชีวิตแล้วชีวิตของเราคือไม่ต้องเป็นอะไร เรายัางเป็นโน่นเป็นนี้อยู่ไม่ใช่ได้ชีวิตชีวิตเราคือไม่เป็นอะไรขครงเส้นคงว่าต้องพึ่งควมไม่เป็นอะไรคือธรรมะธรรมะพาให้เราไม่ต้องเป็นอะไรเป็นปกติปกติคือบ้านของกิจสร้างปกติขึ้นมาให้ได้ถ้าไม่สร้างมันก็ไม่มีเราโลกได้มมนมีรสชาติํำให้หลง ภาพนายหลายเรื่องในตัวเราก็หลงออกตัวเราก็หลงปัจจัยจที่ทําให้เกิดความหลงไม่มากเราจึงพยายามสร้างให้มีความรู้สึกตัวให้หลักเป็นแหลง่งผมรู้สึกตัวเป็นศิล ป, ปะของการมีชีวิตศิล ป, ปะคือชีวิตที่ไม่เป็นอะไรเวรามันอะไรเกิดขึ้นกับชีวิต ก็ไม่ต้องเป็นแต่กับสิ่งต่างๆมันสุขก็ไม่ต้องเป็นผู้สุขมันทุกข์ก็ไม่ต้องไปทุกข์มันหลงมันโกรธมันวิตกกงวลเส้ามองอย่าเข้าไปเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ชีวิตเอาชีวิตจิตใจไปรองรับกับรถของโลกมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เลยอนความรักก็มีความช่งในความสุขในความทุกข์ในความโกรธความวิตกกงวลเส้ามองมันเป็นรถของโลกเราจ้องมีหลักไม่แรง เรามีบ้านอยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งในหลักฐานหลักฐานของทรัพย์ไปนอกก็ใช่ตามสมบูรณปัญญาได้เพื่อจนเจปัญหาได้หลักฐานภายในคือจิตใจของเรานี่เราต้องไม่เป็นอลารอยู่ตรงที่ไม่เป็นอลารอย่าเอาจิตเอาใจไปรองรับกับโลกใจต้องอยู่ตรงที่ไม่เป็นอลารจุดหมายปราทางของจิต ขอให้บรรลุถึงนิพพานเถินคือไม่เป็นอะไรมันถึงที่สุดคนโดนคนเดินทางต้องถึงจุดหมายปลายทางถึงบ้านก็ถึงบ้านถึงทำงานก็ถึงที่ทำงานจิต ใ, ใจของเราก็มีที่ถึงที่ถึงของกิจคือไม่เป็นอะไรไม่มีอันจะทำอีกแล้วแต่ทำอยู่แต่ไม่เป็นอะไรไันผิดก็ไม่เป็นไรกระผมผิดกระถูกก็ไม่เป็นไรกควผมถูก แต่ได้ความฉเฉียบฉลาดจากความผ sí. ิดความถูกความฉลาดเป็นเรื่องการศึกษาความหลงเป็นเรื่องการศึกษาความผิดเป็นเรื่องการศึกษาไม่ใช่เป็นทางตันความผิดก็บอกให้เราถูกความทุกข์ก็บอกให้เราไม่ทุกข์ความหลงก็บอกให้เราไม่หลงเรียกว่าศึกษาถ้าความหลงเป็นความหลงความทุกข์เป็นความทุกข์ก็เรียกว่าไม่ได้ศึกษาเลย มาเป็น้วกเหื็นก้อนไม่แตหลงเราจะมีสติคอตรวจสอบอะไรที่มาก็มีสติตรวจสอบเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการตรวจสอบเราทำอะไรก็ไม่มีการตรวจสอบให้ถูกต้องความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องสัมผัส ด, ดูก็รู้กัปัดความหลง สบมบัติคไม่หลงสมบัติคมทุกข์สมบัติความไม่ทุกข์นี่ก็บทเรียนตนัวนี้ประสบการณ์ตัวนี้คนผู้มีสติย่อมได้ศึกษาในเรื่องนี้ไม่มีคําถามอันใดเรามามีความรู้สึกตัวอสร้างความรู้สึกตัวประกอบความรู้สึกตัวได้คมรู้สึกตัวให้เป็นหน้ารอบดูแลอยู่เสมอมาทางใดเกิดทางไหนมา ถ้ามีความรู้สึกตัวเหมือนนายทวารบานถ้าไม่มีความรู้สึกตัวก็ไม่มีผู้พก้าประตูเข้าออกได้ต้องปลอดภัยก็ไม่น้อยปฏิสมัญญะนี่เป็นประตูเป็นนายประตูที่ปลอดภัยทำให้ไม่เกิดการเสียหา ย, ยดีแต่ว่าก็มีภัยนะ นอกจากชีวิตล้นล้วนมีภัยแล้วปัจจัยที่เกิดมีภัยก็มีอักขีภัยโอทกกะภัยวาตะภัยราจกะภัยเจลภัยอักขีภัยก็ดีโอทกกะภัยก็ดีวาตะภัย ก, ก็ดีเจลภัย ก, ก็ดีภัยเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะไม่มีคนดูแลปล่อยปลแล้วเลยก็ามให้จีหายจีพายได้ ไปคือความโกรธควาวริบกความ ว, ามวุ่วุมองเนี่ยมันทําให้เสียหายได้หรื mm. ก็ไม่มั่นคงยิ่งคุกคามไปคุกคามบ่อยๆก็องอแย่นก้อนแทนงานหลักแรงไม่ได้เราจึงมาสร้างผู้เฝ้าดูประตูให้มั่นคงแน่นหนาคุื่อรองรักษามีสติมันก็เหมือนกับได้พักผ่อนได้เดินท่องเที่ยวภายในวัฏฏะสงสาร ถ้าไม่มีสติมันก็ไปเรื่อยเือนว่าถ้าเกิดเกิดดับเกิดดับเรื่องเก่ามาคิดบางทีเอาสิ่งที่ไม่ดีมาคิดเรืนอารมณ์ที่ทําไม่ส้มงมันก็ยิ่งมีรสชาติเหมือนกับความมืดแสงสว่างคือความมืดมันก็ทำให้ไม่เห็นเละออกให้เป็นมันมีมืด มันมีสว่างในความมืดมันมีแสงสว่างเป็นหนึ่งเดียวถ้ามันมีคู่มันไม่ใช่มดาถ้าให้มันชี้ปไปซะเลยว่าหลงจนไม่มีมีแต่ไม่หลงทุก็ไม่มีจนมีแต่ไม่ทุกมันเป็นชี้ผมอาจารย์ไปว่าชี้เป็นชี้ไม่มีคู่หนึ่งเดียวชีวิตต้องเป็นหนึ่งเดียวอยู่เดียวคือไม่เป็นอะไร ก็ไม่เป็นอะไรคือเป็นหนึ่งเดียวแต่การตาวะที่เป็นอยู่ไม่ใช่หนึ่งเดียวหลายหลายเรื่องสองสอนเราจึงต้องฝึกผลตนเองให้มีศิลปะศิลปะของชีวิตเนี่ยไม่เหมือนศิลปะการศึกษาของโลกโลกความไม่ทุกข์ก็เป็นศิลปะความไม่หลงก็เป็นศิลปะความไม่วิตกกังวลเโมวก็เป็นศิลปะศิลปะอันนี้งดงาม งามที่ชีวิตไม่ใช่งามแบบรูรทมงามแบบชีวิตเป็นพรหมจรรย์เป็นความงามไม่เปิดเพื่อนคนที่สุดก็คือไม่มีไม่เป็นอะไรเป็นความงามที่สุดชีวิตถ้าชีวิตยังเป็นอะไรอยู่ถือว่าเปิดเพื่อนเป็นสุขก็เปิดเพื่อนเป็นทุกข์ก็เปิดเพื่อนมีความโลภของโกรธควงหลงก็เปิดเพื่อนเป็นความรักความชังก็เปิดเพื่อน ความไม่สบายกายควมไม่สบายใจความภาพแช่นใจก็เปิดเพื่อนบางทีก็มาเห็นความบริสุทธิ์ความสะอาดเพราะสิ่งปนเพื่อนมาปิดบังไว้เหมือนเมฆปิดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แต่เมฆไม่ใช่ดวงจันทร์มันก็บังได้ชีวิตเราเนก็เหมือนดวงจันทร์ แม้นมีเมฆมาบาังก็ดวงจันทร์ก็เคยคิดวิตจริงไม่เป็นละละนี่การเน้นทาสันเสริญไม่ได้มีเสียไม่สุขไมทุกข์เหมือนพอ้อนไม่อาบบางจิตใ จ, จคนอกุศลแล้วก็ส่วนจิตใจไม่เป็นละล่ะแม้จะเนินทาสันเสริญเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรใจมันก็มีสว่างสออยู่ ดวงอาทิตย์สว่างในกลางวันดวงจันทร์สว่างในกลางคืนแต่แสงธรรมะสว่างทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเส้าหมองอันนี้คือชีวิตเราจะต้องศึกษาต้องให้เข้าถึงอย่างนี้ให้ได้จะได้พึ่งพาอาศัยเราก็อาศัยได้คนอื่นก็อาศัยได้การปรกผลตนเองนี่ยมันมีอะไรสูงมากทําให้ แต่ความสงบผ่มเย็นทั้งตัวเราและคนอื่นสิ่งอื่นสิ่งแวดล่อมต่างๆเรายังมีให้ได้ในชีวิตเราเราขาดแคลนถ้ามีตรงนี้แล้วอันอื่นก็มีง่ายๆให้ง้อหลงอุบายไม่พุ่งเพิ่มพูมเอยมันมีความถูกต้องเป็นหลักอยู่แล้วจะคิดก็ถูกจะทำก็ถูกจะพูดก็ถูก ก็โกหกผิดการงานใดก็ถูกเพราะมันมีหลักเพราะมถูกต้องงั้นก่อนมีความรู้ตอนไม่มีความรู้ทำอะไรก็ผิดพลาดก็มีความรู้ทำอะไรก็แม่นยำชัดเจนมองออกทะลุทะลวงดีถ้สถึงกุดหมายปลายทางแล้วมันเป็นเฉยภูมิที่มองเห็นได้เหมือนเราอยู่ที่สูงมองลงที่ต่ำ ย่องเห็นของที่ต่ําคนที่ต่ําก็มองไม่เห็นคนที่สูงจิตใจที่มันอยู่ที่สูงคือไม่เป็นอะไรแล้วก็สูงมองไปต่ําๆมันก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเห็นท่านเห็นแล้วก็หลุดพ้นตรงนั้นด้วยภาวะที่เป็นเนี่ยมันเป็นภาวะที่เพื่อนภาวะที่เห็นเป็นภาวะบริสุทธิ์พระเจ้าสรรเสริญให้เห็นเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้า เพืได้เห็นพระพุทธเจ้าพ้นเห็นพระธรรมเพืได้เห็นธรรมพ้นเห็นสิ่งต่อเนื่องสิ่งต่อเนื่องคือปฏิจจสมุปบาท ต, ต่อเนื่องกันที่เราหลงไม่ใช่เกิดขึ้นจะหลงทันทีมันมีเสียงสิงต่อเนื่องเพราะไม่รู้มันจึงหลงไม่ไปโทษผมไม่รู้เราโทษการกระทําทของเราเพราะไม่รู้ไม่ได้สร้างตัวรู้ ว่าไม่ต้องตำหนิคนอื่นตำหนิตัวเองเดินตัวเองแก้ไขตนเองหลงก็ได้บลเรียนจากตัวนี้ได้ฉลาดจากความหลงเพราะเราได้เห็นตัวสภาพที่หลงเพราะเราไม่ได้รู้เราก็ลูกขึ้นมาซะมันก็ทําได้เดีย๋ยไปโทษถ้นเราโกรธดี๋ยวไปโทษคนอื่นถ้ามันเราโกรธเราโกรธเพราะเราหลงโทษความหลง มันหลงมันเกิดจากการกระทําการกระทําที่ทําให้เกิดหลงถ้าการกระทำที่ทให้เกิดรู้มันก็ไม่หลงมันต่อเนื่องกันไปสุขที่ทุกข์ก็เหมือนกันอยู่อยู่ไม่ใช่สุขเลยไม่ใช่ทุกข์เลยมีเหตุมีปัจจัยทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดจาเหตุแต่ดับก็ดับที่เหตุไม่ต้องประทะเลาวิวากันทุกคนต้องต้องเกิดเหตุดับเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเรา มันก็ไม่ยากในายวุ่นว่ายบ้านเมืองเราขนาดนี้วุ่นวายเพราะความเห็นต่างกันถต่ทุกคนแจ้งให ค, ความเห็นไม่ถูกต้องเพื่อการแจ้ไม่ใช่มอวมหมายใครคนหนึง่งเป็นคนแจ้ถ้าใครหลงคนต้องก็แจ้ความหลงให้เป็นคนไม่หลงถ้าใครพอใจก็แจ้งความพอใ จ, อ ใ, จให้หมดไปถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออก พ อ, พอใจไม่ใช่จิตความไม่พอใจไม่ใช่จิตเป็นลดของเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมาดังที่เราสวดพระสูตรมีสติมาวินัโลเจอภิสาปทมประนัดสังมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้สติมาวินัโลเกอความพอใจความไม่พอใจอยู่ที่ไหน อยู่ที่แต่ละคนที่เกิดเหตุปัจจัยขึ้นมาแล้วก็เห็นไปเห็นแล้วก็พ้นก็ไม่มีสติมันก็ไม่เห็นแล้วมันพอใจก็อยู่ความพอใจไมไ่เห็นความพอใจทาให้พอใจก็อยู่กับความไม่พอใจไม่เห็นความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจก็เป็นเจ้าว่านเจ้าเรือนไม่มีคนดูแลของไปชีวิตเราก็ถูกป่อเทือนครอบงำย่าดี เราจึงมาเห็นมาดูมาสร้างตัวดูมาสร้างดวงตาเป็นหน้าโลกโอชงกายังไม่สติหน้าโลกเหมือนพระขีนาศกผู้มีสติเป็นวิ น, นัยเรียกลู่โลกพระขีนาศกคือผู้มีสติคือพระอรหรันไม่ใช่เอารูปแบบมาเป็นอรหรัน เอาสติสมปจนญมาเป็นหน้าโลกไม่หลงเป็นคุณธรรมไม่ใช่เป็นรูปแบบสมมุติปัญญาต์ไม่ใช่เป็นปรมัาจัจะเราลู่เป็นปรมัตาเราหลงเป็นสมมติเราทุกข์เป็นสมมุติเราลู่เป็นปรมาจารห็ทุกข์เห็นทุกข์เป็นปรมาจามันทุกข์เป็นผู้ทุกข์เป็นสมมติไปสมมตินี่มันร้ายมาก แล้วก็สมมุติเราไม่พอบัญญัติเข้าไปอีกบัญญัติก็ไล่เข้าไปเกิดอุปทานยึดเข้าไปอีกโรคปนเข้าไปก็เลยทำชั่วได้ฆ่ากันได้ทะเลาะวิวาสกันได้เพราะสมมุติเราไม่พอบัญญัติเข้าไปอีกอุปทานเข้าไปอีกยึดในของโกรธความโลภความหลงความฉาเบีดเบียดกันเมื่อเห็นเราก็รู้เมื่อเราเห็นความหลง เอามีความรู้สึกตัวหัดไปอย่างนี้ก่อนพอมันลุ่ก็รู้สึกตัวถ้ามันทุกข์ก็รู้สึกตัวเอาตัวรู้สึกตัวเป็นเจนเป็นฐานเป็นเสาหลักตั้งไว้ถ้าหัดเป็นแล้วก็ไม่ต้องหัดเพามันเต้นมันใช่รู้มันใช่จำํำทาให้มันเต้นเมืเันเราสอนวัวสอนควย า, ายเทียมค้าดเทียมถายทียมโลดเทียมเกียนถ้าหัดเป็นแล้ว เมื่อได้ใช้งานถ้าปีหน้าผ้าใหม่มาจะมาเส่โลคสิบือนเส่ค่าแต่ใส่มันก็ทําเป็นแล้วไม่ต้องหัดอีกมันเป็นแต่ว่าหัดให้มันเป็นชีวิตเรายิ่งดีกว่านั้นมันไม่ใช่เป็นตามเวลามันเป็นทุกโอกาสอันตนจ้าบ้านเจ้เรือนภาวะที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เอามาใช้เป็นข้างเป็นข่าวมันเป็นอยู่มันไม่เป็นอะไรเพราะว่าไม่เป็นอะไรก็ไมหัดแล้ว ถ้าังเป็นโน่นนั่นนี่อยู่ถือว่ายังไม่หัดยังไม่สอนตัวเราไม่เป็นอะไรเนี่ยคือว่าหัดแต่แล้วไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นวิตุกางวลเศ้ามองเนี่ยคือไม่เป็นเลยมันไม่เป็นอะไรคือวิจิตใจเรานความไม่เป็นอะไรนี่เป็นศิลปะของชีวิตจนเหนือการเกิดเจริญตายได้เพราะว่ะที่ไม่เป็นอะไรเนความไม่เป็นอะไรมันง่ายมันอันเป็นอะไรมันยาก ภาวะที่เป็นโน่นเป็นนี่มันยากมากพลุนพลั ง, ลงแต่ว่าภาวะที่ไม่เป็นอะไรมันไม่ยากไปผ่านอะไรก็ไม่เป็นไรผ่านร้อนผ่านหนาวไม่เป็นไรผ่านสุขผ่านทุกข์ไม่เป็นไรผ่านเกิดเจ็บเจ็บตายก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นอะไ ร, ไ เ, ปไรเป็นของที่ผ่านได้ทุกวิถีทางจนจุดยอดของชีวิตก็ไม่อยากพูดอะไรให้มันยืดเยือ้ออยากเข้าถึงภาวะอันนี้เลยทีเดียว ว่าที่ไม่เป็นอะไรนะ่ะเป็นศิลปะของชีวิตจริงๆศิลปะไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่การสอนกันคนอื่นสอนเราไม่ใช่ศิลปะเป็การสอนตัวเองการสอนตัวเองเกิดศิลปะในการเหนือการเกิดเจตจิตตาคนอื่นสอนไม่ได้เรื่องหน้าเริ่มตน้นไปจากเห็นสติเห็นกายเห็นกายกายก็บวก เห็นไปเห็นว่ากายสวะกายแล้วก็เห็นเราเองเห็นว่ากายสวะกายไม่ใช่จัตุคุณตัวตนเราเขาเห็นเวทนามันสุขมันทุกข์มันสุขทุกข์ที่มาเกิดกับกายกับใจไม่ใช่จัตุคุณตัวตนเราเขาถ้ามีเวทนาเป็นเวทนาก็เป็นภพแป่นชาติอยู่ที่นี่เวทนาก็ไม่ค่าเวทนาก็เป็นภพแผ่นชาติไม่ค่า จิตก็กมืนกันนาะอะไรที่มันเกิดจากจิตคิดว่าตัวว่าตนมันก็ไม่ใช่จิตนั้นเป็นคลื่นเหมือนน้ำที่มีคลื่นมันคลื่นไม่ใช่น้ำความคิดที่มันทุก ๆ, ๆ, ๆมาใช่จิตมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาต้องสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์ปุกคนโตตนเราอโห่ก็เฉลยไปสอนไปเห็นไปเห็นไม่ใช่เห็นหลายเรื่อง เห็นหลักๆ ก, ก็มีเท่านี้มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเป็นหลักอะไรก็ผ่านหลักตรงนี้ด่านที่มันทําให้หลงก็มีอยู่ด่านเดียวเท่านี้ที่ทำไมรู้ ก, ก็มีเท่านี้ผิดก็ผิดตรงนี้หมดรู้ ก, ก็รู้ตรงนี้ให้เหมือนเราศึกษาทางโลกจึงมีศิลปะง่ายๆศิลปะเห็นกายเสว่ากายเป็นศิลปะหนึ่งเห็นเวทนาจากเวทนาเป็นศิลปะอันหนึ่งเห็นจิต สภาวะจิตเป็นศิลปะเห็นธรรมสภวะธรรมเป็นศิลปะก็ลื้อถอนไปจนเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงศิลปะในรูปในนามเป็นอาการแล้วไม่ต้องเรียกว่าเวหนามาต้องเรียกว่าจิตไม่ต้องเรียกวิธรรมเป็นอาการแล้วย่อลงมาเป็นอาการสีอย่างไม่เป็นอาการก็ทับเศกโปก็ได้แต่ความมันหาบ หาของสี่อย่างอาจจะหนักหน่อยพอมาเห็นแต่ละการก็เบูดขึ้นมาเหมือนอยู่ในกระเป๋าพอต่ ว, ว่าเป็นอาการก็เสียดไปแล้วไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่ความหนาวไม่ต้องเรียกเวทนาเป็นอาการไปเป็นศิลปะเป็นศิลปะศิลปะทำให้งดงามเห็นเป็นอาการก็งดงามแต่ก่อนเห็นเป็นสุกเป็นทุกข์ไม่งามเท่าไหร่เปื่ปปอๆเลยเถอะ เห็นปัญหาการก็งามขึ้นมาหน่อยเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกากับใจมากมายหลายอย่างสรุปแล้วคืออาการแล้วจิตใจเป็นไรไม่เป็นไรมันก็ค่อยๆค่อยๆได้ที่ได้ทางได้หลักได้แหล่งได้เสาหลักไม่เฉลยไม่ถลไปไหนเป็นอาการก็เพราะว่าเห็นเป็นอาการใจก็ไม่หวั่นไหวนั้นฝึกใจฝึกกิจฝึกชีวิตตปในตัวเสร็จเลย เห็นจิงประกอบที่กเกิดกับกรบูปผมนามมากหายกากองก็ลหลายอย่างอันเดียว่จิตอันเดียวอย่างคนมีคนถามหลวงพ่อว่าเวลาป่วยไปไออเยวยป็นยังไงก็อันเดียวหายป่วยเป็นไงก็อันเดียวจิตอันเดียวหายป่วยก็ดีใจไม่ใชใ่ป่วยก็ทุกข์ใจเวลาป่วยก็ทุกข์ใจไม่ใช่เวลาน้อนก็ทุกข์ใจเวลาเย็นก็สุขใจไม่ใช่ เวลาหิวก็ทุกข์ใจเวลาเยี่ยมก็สุขใจไม่ใช่ใจนี้มันเปนเดียวคือไม่เป็นอะไรเออือความไม่เป็นอะไรของกิจชีวิตของเรานี้มันมั่นคงจึงเป็นความไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บมาตา ย, ยู่ตรงนี้ให้เราใส่ใจให้เรามองกลับมาแบบนี้อย่าทิ้งตรงไหนอย่าทิ้งฐานชีวิตเราก็มีฐานบ้านเราก็มีฐานอย่าทิ้งหลังทิ้งแหลงอย่าทิ้งหลั ก, ากฐาน เพื่อประกันชีวิตประกันสังคมความประกันของโลกคือหลักฐานตรงนี้ความไม่เป็นอะไรหลักฐานชีวิตประกันกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้ยทุกกรดีความจุกลง่ทุกโกรธทำได้นี่คือชีวิตที่เป็นศิลปะของการเจริญสติไม่ใช่เราจะงงงาวสา ว, สาวมันเป็นศิลปะจริงๆมันยอดเยี่ยม จากพลุลงบาลังเราก็จนปัดมือไปเลยไม่มีไม่เป็นอะไรไปเลยเราเสร็จแล้วป่ะแปลว่าเสร็จสับมันจบมันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วเหมือนพระพุทเจ้าว่าชาติสิ้นแล้วภวมจันท์อยู่จบแล้วคิดอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วอย่างนี้คิดเหล่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ตะคบุบตะกับจับน่นจับนี้ ให้คนเด่นแจ้ไขาให้ให้กฎหมายให้รัฐธรมนูญให้คนเด่นจับติดคุกติดรางมันไม่ใช่ชีวิตจริงจริงไมไม่มีศิลปะศิลปะของชีวิตไม่เพียงใดฟงเช่นคงว่าอยู่เนี่ยนี่จึงเป็นการที่จะเรียนรู้กันให้มากแล้วคนจะจบก็จบตรงนี้กันแล้วก็ไปทํา ง, งานทำการไม่ใช่อยู่นิ่งๆศิลปะแบบนี้ไม่ใช่เพศไม่ใช่ไหวไม่ใช่ละทิไม่ใช่ ใ, ชใชนกาย ไม่ใช่ชาติภาษาเป็นชีวิตเหมือนกันหมดความไม่มีไม่เป็นอะไรเป็นอันเดียวกันแต่ความเมนความเป็นต่างกันไปตรงม่าประยาติต่างกันแต่เพราะไม่เป็นอะไรเป็นปมรมาจิั จ, จะความเป็นจริงไม่เปลี่ยนแปลงเราจึงศึกษาเราจึงปฏิบัติปฏิบัติคือเปลี่ยนได้ให้มันดี ให้เปลี่ยนตัวรู้อะไรมาเปลี่ยนเป็น ต, ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู numbers, ้วันสุกก็รู้วันหลงก็รู้เนี่ยปฏิบัติอย่าให้มันสุกเป็นสุกอย่าให้มันทุกเป็นทุกอย่าให้มันโกดเป็นโกดให้มันหลงเป็นหลงให้เป็นตัวรู้ไปเป็นตัวรู้ไปมันไม่ยากถ้ามันหลงอยู่ในเวลาใดก็รู้เวลานั้นเข้าข้างความรู้ไว้ก่อนเข้าทางนี้ไว้ก่อนเข้าทางจะก่อน ถ้าไปหลงเป็นห ล, ลงก็เข้าลกเข้าพงไม่รู้จักทางเลยถ้ามันหลงรู้กบบาลังมีทางน้อยเป็นล่องลอยเป็นกระแสถ้าสวรรค์นิพพานเป็นกระแสก็คืนนี้ผู้เจริญติได้กระแสแห่งพระนิพพานคือมันได้อย่างนี้เวลามันหลงรู้กระแสแห่งพระนิพพานเวลามันทุกข์รู้เวลามีเวญนารู้เวลามีกีจที่มันจุ่มประโณต่างๆรู้มันเข้ากระแส เราหัดไปไปก็ง่ายเถอะไปง่ายที่จะรู้การหัดมันง่ายทําไมรู้ถ้าไม่หัดมันไม่เป็น่ะจะไปจํามองไปได้นะนี่ก็คือการเพื่อจะด้ยินได้ฟังเอาไว้จะได้เอาไปทําดูสอนตัวเราบ้ช่วยคนอื่นบ้างไปพร้อมๆกันแล้วก็เห็นคนอื่นหลงเราก็เห็นคนอื่นโกรธเราก็เห็น เหมนกับคนเดือดหิวข้าวเขาห่อข้าวไปให้เขาจีนคนตะหลงเขาไม่รู้เ ข, า, ขาสอนให้เขารู้คนโกรธเขาไม่รู้ให้เขาได้รู้เขาเห็นความโกรธไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคนอื่นโกรธก็บอกไม่ใช่แล้วผิดแล้วผิดแล้วว่ได้ผู้เรียนจากคนสอนช่วยกันจากนี้เลยว่าทำบุญเหมือนกัน สอนคนที่มีทุกข์ให้ไม่ทุกข์สอนคนที่หลงให้หลงสอนคนทีโ่โกรธให้โกรธพันกันตับบุญเติมเบินเ่นเต็มเมืองไปเลยยิ่งพวกเราเป็นครอบครัวยิ่งตะ บ, บุญตกกันมากๆดูแลกันให้มันคุ้มเตืองกันไปเตือนกันมาก็จะเป็นสิ่งเปิดล้อมที่ดีสิ่งเปิดล่อมดีก็ทำให้ดีนะเหมือนนกศลิกาตกไปอยู่ภู ของเงินก็เป็นสีงเงินตกไปอยู่ภูโขาทองก็เป็นสีทองคนนี้ก็เหมือนกันตกไปอยู่ความดีก็เป็นคนดีตกไปอยู่ความชั่วก็เป็นคนชัว่วคนชั่วก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่สิ่งเวดล้อมเรานี้เป็นสิ่งเวดล้อมควบครัวไม่มีใครที่ไหนมีแต่ปัญญาช้ามีลูกเต้า ห, หล่อนเราเองแล้วก็ค่อยสร้างกันตรงนี้ให้ได้มั่นใจมากตรงเนี้ยมั่นจะจริงๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ก็ต้องเป็นเลือดเป็นเนื้อก้อนเดียวกันไม่มีใครรักลูกรักเมียเท่ากับสามีปัญญากันรักลูกเต้าวังกับพ่อแม่พ่อโบเต้าก็รักพ่อร้องแม่อยู่กันอยู่แล้วเป็นทุนอยู่แล้วก็เลยไม่ยุ่งไมา่ยากอะไรการทำความดี